<Book> <95. S 3> บุ๊กทูเก้าสิบห้าต้มเพื่ไอดุคำสันธานสองสมุจใชมเร็ดูเธอไม่ทำงานตั้งแต่เมื่อไหร่เยปปะดนรันดีอามีกับปันิเชอดันเลยดตั้งแต่เธอแต่งงานหรือ อ๋อไม่ปลเดอะเกิรด้ใช่เธอไม่ทำงานอีกเลยตั้งแต่เธอแต่งงานเอาโนมอ๋อไม่ไปเล่นตระเวนอ่ะอ๋อไมัตั้งแต่เธอแต่งงานเธอไม่ทำงานอีกเลยอ๋อไม่ปเล่นตระเวนนี้ไม่พันช่วยตั้งแต่พวกเขารู้จักกันพวกเขามีความสุข ว้าลุวักการนักเรียนคลล์สคูนนักปนนดีวาลสันโตชังก้าุ่นนารุตั้งแต่พวกเขามีลูกพวกเขาแทบไม่ไปไหนเลยว้าลกักีปิลล์ลวุ่นนารุอันด์เคอรุดกะไปตกเวลทารุเธอโทรสท์มาตอนไหนอามียี่ปุดคอล์จสงสุนดิขณะขับรถหรือบันดีน ใช่ขณะที่เธอขับรถเอาหนบมบันเดนัดปุตนปเเธอโทรสท์ขณะที่เธอขับรถอเมบันเดนัดปุตนปเอมคอลเสุนดเธอดูโทรทัศน์ขณะที่เธอรีดผ้าอเมวิสตรีเสนปทีวีจูสุนดเธอฟังเพลงขณะที่เธอทำงาน อาเม่ปนิชสนับปุโร music windoni ดิฉันมองไม่เห็นเลยถ้าดิฉันไม่มีแว่นนาวัตถลล์จอดลนัปปุโนี่ยนีมิชโดเลนดิฉันไม่เข้าใจอะไรเลยถ้าดนตรีดังเกินไป music ชาละกันดรก้อนงวุนัปปุโรนาคีเอมิอาร์ทังกาตุดิฉันไม่ได้กลิ่น ตอนที่ดิฉันเป็นหวดัดน้ากูจลุกเชื่อศนะพดเนียนี่ยมีวาสนัเลนเราจะนั่งแท็กซี่ถ้าฝนตกวันชมัดีนะพดมันันแท็กซี่ตีสกุนดามเราจะเดินทางรอบโลกถ้าเราถูกลอตเตอรี่มันันลอตรีเกิช่นนะดพร้าันชั่ชุดตท่รดาม ถ้าอีกเดี๋ยวเขายังไม่มาเราจะเริ่มทานข้าวอ้ายนะ่ยตอนนี้ก็รากโพเต็มมานันตี่น ด, ดะดมหมดเลยไปดลยดมกรุณาไปที่ w w w b o o k 2 d e สำหรับหนังสือและดาวน์โหลดเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด